ขณะเดียวกันท่านเองก็เจริญในคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็เพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาโดยปกติท่านก็ดำรงอยู่ในฌานและวิโมกภาคเพียรปฏิบัติอยู่ในฌานวมโมกดดำรงมั่นอยู่ในสมาธิทำสมาบัติให้เจริญอย่างวสีภาวะชำนานในการเข้าอ่านออกเป็นต้นจนถึงมีอภิน ญ, ญาอันเป็นโลกยะให้ถึงความชนานาบรรลุที่สุดแห่งปัญญาก็คือท่านท่านมีปัญญา ปกติแล้วเป็นผู้ที่มีทั้งสุตะจินตะและภาวนามายปัญญาแต่ปัญญาเหล่านั้นก็บอกว่ายังไม่คมเป็นที่พอใจทำยังไงจะให้ปัญญาเหล่านั้นแหลมคมจนเป็นที่พอใจละเอียดลึกซึ้งในอย่างพอใจก็เพิ่มฌานเพิ่มวิโมกข์เพิ่มสมาธิเพิ่มสมาบัตินะเพิ่มอภิญญาเพื่อจะทำกำลังแห่งปัญญาให้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นันโลกิยะปัญญานั้นน่ะนะก็ต้องอาศัยภาวนาปัญญาคือมีปัญญาที่จะเจริญสมถะภาวนาจนได้โลกิยะอภิญญายาณคืออะไรบ้างเช่นอิทธิวิทยายานที่แสดงฤทธิ์ได้ที่ปโสตธาตุยานยานที่มีหูทิพเจโตเปรย า, ยานรู้วาระจิตของผู้อื่นปุเพนิวาสารุสติยานระลึกชาติได้ที่พจักขุญานเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตาย ยะถากรรมมูประฆาญานยานที่อย่างรู้ในกรรมและผลของกรรมของศาตว์ทั้งหลายด้วยของตัวเองด้วยและอนาคตต่างสยานเป็นผู้ที่รู้อนาคตนะรู้อนาคตอย่างอย่างทําไมเขาจะเรียกว่าเมืองกบิลพัทเนี่ยนะหรือเมืองกบิลพัทเนี่ยก็เนื่องจากฤษีไปอยู่ตรงนั้นมาก่อนนะฤษีคือพระโพธิสัตว์นี่อยู่ตรงนั้นแล้วท่านรู้ด้วยว่าอนาคตเมืองตรงนี้จะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ก็บอกให้สร้างเมืองตรงนี้ให้สร้างเมืองตรงนี้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 อายะตนะธาธาติอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุบาทเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งโครจรแห่งภาวนามยปัญญาที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุท ธ, ธิกังขาวิตรณวิสุท ธ, ธิเนี่ยนะว่าอันนี้เป็นแดนโครจรแห่งวิปัสนาปัญญาทั้งหลายทีนี้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอที่จะวิจัยสิ่งเหล่านั้นได้ย้อนกลับมาหาวิสุท ธ, ธิที่เป็นรากคือศีลวิสุท ธ, ธิกับจิตตวิสุท ธ, ธิ เนนศีลที่เป็นเหมือนกับรากแก้วหรือสมาธิเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นเนี่ยนะเป็นตัวที่ตั้งมั่นนั้นศีลทั้งศีลทั้งสมาธิเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดความมั่นคงแล้วก็เจริญวิสุธทธิทั้งห้าอีกที่เป็นร่างให้สมบูรณ์เจริญที่ิฏวิสุธทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นเห็นว่าสัพพะสังขารทั้งปวงเนี่ยนะเห็นว่าทั้งหมดเลยในโลกนี้คือสังขารธรรม เห็นว่าเป็นสองก็คือนามกับรูปเห็นเป็นสมก็คือที่ตั้งแห่งเวทนาสามเห็นเป็น4ี่ก็คืออยู่ด้วยอาหารสี่ประการขยายออกมาก็คือขันห้าเป็นไปตามอายตนะหปฏิสนธิตามวิญญาณทิติเจดเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยต้องรับกระทบกับ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 อดีตก็คือขันธาตุอายตนะและปัจจัยอนาคตก็คือขันธาตุอายตนะและปัจจัยปัจจุบันก็ขันธาตุอายตนะและปัจจัยพิจารณาไปเท่าใดาสติปัญญาก็แหลมคมเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดปีติปราโมทเข้าใจได้เลยว่าปีติปราโมทเป็นต้นไม่ใช่ตัวมรรคผล ก็เลยปฏิบัติอยู่ในอนุปัสนาทั้งหลายอบรมอนุปัสนาทั้งหลายซึ่งเป็นปฏิปทาญานนณทัศนวิสุทธิเป็นญาณเครื่องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลอนุปัสนาทั้ง7ที่เจริญบริบูรนนณ์ญาณทัศนวิสุทธิคือโสดาปิตมรรคเป็นต้นก็บริบูรณ์ พันวิธีการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยนะท่านก็กล่าวบอกว่าใครต้องการรายละเอียดนะศึกษาวิสุทธิมรักนะเพราะวิสุทธิมรักกล่าวทั้งศีลสมาธิและปัญญาเรียกว่าศีลนิเทศสมาธินิเทศและปัญญานิเทศเนี่ยนะท่านก็ถ้าดูรายละเอียดแต่ว่าในวิสุทธิมรักทั้งศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศโดยมากเรียบเรียงเพื่อสาวก แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาตามในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเรียนวิสุทธิมรดุด้วยใจกรุณาเพื่อที่จะช่วยปลดเรื่องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกเห็นมูสัตว์ทั้งหลายเขาปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ผิดๆศึกษาวิสุทธิมรดเพื่อแนะแนวทางให้เป็นความปฏิบัติที่ถูกเนี่ยนะคืออย่าลืมว่าอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถ้า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 การเรียกว่าธรร ม, มขานะการกล่าวธรรมเนี่ยนะการกล่าวธรรมของตัวเองให้ชำนาญให้บริบูรณ์ด้วยมีใจกรุณามุ่งปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยเนะนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็อบรมสมถาวิปัสนาอยู่ในแค่ปฏิปาาทาญาณทัศน์วิสุทธิเท่านั้นเครียกว่าอนุปัสนา7บริบูรณ์แต่ไม่ถึงอริยมรรค คื อ, อยังไงก็ไม่ถึงโคตรภูยานและก็มกคยานเพราะท่านจะหยุดแค่สังขารุเปกขายานเนี่ยนะหยุดแค่ไม่ยอมให้มรควิถีเกิดขึ้นหรือมรควิถีไม่ยอมเกิดเพราะอะไรเพราะใจมันคล้องที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ะจะเรียกว่าเป็นเครื่องกั้นก็ได้เรียกว่าโพธิสัตว์เนี่ยนะคล้องอยู่ในโพธิยานจนไม่เหลียวแลสนใจสาว ก, กโพธิยานไม่สนใจในปัจเจกโพธิยานมุ่งแต่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 คือถ้าอย่างว่าถ้าไม่ภาพเพียนจริงๆเลยนะไม่ใช่คนขยันเนี่ยจะมีเอาอะไรมาให้ทานเอาให้หน่อยหนึ่งก็หมดแล้วเพราะั้นจะต้องเป็นคนที่ขยันทํามาหาเลี้ยงชีพจนเพียงพอที่จะมีทรัพย์ให้ทานได้บ่อยและต่อเนื่องอย่างนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองถามว่าไม่ติดพันในโภกทระซับเหล่านั้นยังรักษาศีลได้อะเนี่ยยังรักษาศีลได้แล้วก็มีใจน้อมออกจาก วัตตะทั้งหลายเนี่ยนะด้วยการเจริญเนคขมาะรอบรู้ในเหตุในผลรอบรู้โดยประการทั้งหมดเจริญปัญญาแบบผู้ที่มีปัญญารอบรู้และภาคเพียรขวนขวาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเพื่อให้บารมีเนี่ยเต็มเปี่ยมก็คือสร้างฐานให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อศีลให้ทานเพื่อสมาธิให้ทานเพื่อปัญญารักษาศีลเพื่อ เพิ่มพูนบุญเรื่องทานรักษาศีลเพื่อศีลรักษาศีลเพื่อเนคขมารักษาศีลเพื่ออบรมปัญญาเนี่ยนะทำทุกอย่างเพื่อห น, นุนบุญหนุนบุญเพิ่มพูนบุญอยู่ตลอดเวลาเพิ่มเรียกว่าเพิพ่มบ า, ร, า ร, รมีเพิ่มพูนพุทธกรกธรรมเพิ่มพูนธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาพระโพธิสัตว์จะพิจารณาทุกวันว่าวันนี้เราสะสมบุญญะสมทานอะไรม้าง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 ให้ทานแล้วก็ไม่คํานึงเลยว่าจะตัวเองจะกินอะไรมาให้ไปก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีนึ่งนะขอให้ได้ทําบุญก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีนึงนะเพราะว่าท่านท่านห่วงเรื่องบุญมากท่านห่วงเรื่องบุญให้ความสําคัญในเรื่องบุญเรื่องกุศลมากแต่อย่าลืมนะว่าไอ้ของเหล่านี้หายหมายถึงของของตัวเองนะไม่ใช่ว่าให้เสร็จแล้วครอบครัวเดือดร้อนภริยาเดือดร้อนข้าทาสกรรมกรเดือดร้อนไม่แต่หมายคำว่าอะไรที่เป็นของส่วนตัวจริงๆอะ่ะ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 หรือท่านทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทากรรมด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งบุญกุศลเหล่านั้นน้อมไปในสัมมาสัมโพธิญาณถ้าพูดถึงว่าอย่างสมมตรสัมโพธิญาณ น, นี่เหมือนทะเลสมมตรบุญแต่และอย่างเหมือนกับเม็ดฝนที่ตกบนยอดเขาเพราะฝนแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดก็หยดเพื่อจะมาเป็นเรียกว่ายัาง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 มหาแม่น้ำเนี่ยนะเป็นน้ำใหญ่ก็ไหลไปสู่ทะเลโดยส่วนเดียวชันใดบุญกุศลแต่ละอย่างที่ท่านทำท่านก็เหมือนกับว่าทําเม็ดฝนเนี่ยแหละที่เรียกว่าสร้างเมฆเพื่อให้มีเม็ดฝนที่จะก็แล้วก็ขูดร่องเพื่อจะให้ไหลไปสู่ทะเลคือโพธิยานเนี่ยนะทะเลที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพันบุญแต่ละชาติแต่ละภพนั้น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 เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยยานะนั้นยิ่งใหญ่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิยามที่ยิ่งใหญ่มากพมันบุญกุศลทุกอย่างเนี่ยสะสมเรียกว่าเก็บหอมรอมริบทีละบาททีละสตังเพื่อจะเอายานันั้นนะ่ะเหมือนกับใครอยากจะซื้อเครื่องบินเนี่ยนะเรียกว่าเก็บเงินทุกบาททุกสตังเพื่อจะซื้อเครื่องบินลำใหญ่ๆสักลำหนึ่งที่ขนคนเนี่ยออกไปทีละห้าล้านคนเนี่ยลำใหญ่ขนาดนั้นนะขนทีหนึ่งโอ้ ที่จริง5้าล้านคนเนี่ยนับวันน้อยเพราะบางสูตรพระพุทธเจ้าแสดงแล้วบรรลุ18โกดบางสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ที่จะขนคนข น, ขนได้หนึ่งก็เอาขนได้ร้อยก็เอาคนได้หมื่นได้แสนได้ล้านได้กี่สิบล้านได้กี่โกดก็เอาขนได้หมดยานของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพรา ะ, ะนั้นเรียกว่าสะสมที่เรียกถ้ามองเป็นบุญแต่ละอย่างเหมือนกับเม็ดเงินเนี่ยนะท่านสะสมอย่างมากมายมหาศาลเพื่อสะสมสัมโพธิญาเนี่ยนะกว่าจะได้ตรัสรู้เป็น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 คำว่าประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย ถ, าถ้าแบ่งออกไปแล้วเนี่ยนะประโยชน์มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันประโยชน์ทางพวกขซั์กับประโยชน์ทางอริยซัพบเนี่ยนะทำไงสัตว์เหล่าอื่นจึงจะเพิ่มภูมเต็มเปี่ยมด้วยโภกขซับเนี่ยนะเพราะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่คิดให้แต่คนอื่นได้อริยซับนะท่านคิดอยู่เสมอว่าคนอื่นจะบริบูรณ์ด้วยโภคทซัพย์ได้อย่างไรคนอื่นจะเพิ่มอ่ะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นต้นได้อย่างไร เนี่ยนะท่านคิดอย่างนั้นนะไปดูในลักษณะสูตรเนี่ยรู้ว่าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างมากว่าประชาชนทั้งหลายจะเจริญเพิ่มพูนมีความสุขด้วยพวกขสมบัติทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้อย่างไรขณะเดียวกันสัตว์ทั้งหลายจะมีอริยทรัพย์ได้อย่างไรทฉไหนเขาจะเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยเฮริโอตปะสุตตะจาระและปัญญาเนี่ยนะทีนี้ไอการทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะจะต้องมีความอดกลั้นในสิ่งทั้งปวง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 สัรรพพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่กรุณาเนี่ยนะมุ่งทนะําชะไหสัตว์ทั้งหลายจึงจะพ้นไปจากความทุกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอะไรเมตตาบารมีลักษณะของเมตตาก็คือมุ่งบํารุงความสุขด้วยกรุณาก็บําบัดความทุกข์ทั้งปวงออกไปสุดท้ายบอกว่าอุเบกขาการเกิดขึ้นแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีแก่เ่าสัตว์หวังการเกิดขึ้นแห่งทุกทั้งปวงนั้นไว้กับตน เอาทุกข์ของคนอื่นมาเป็นทุกข์ของตนเอาภาระของผู้อื่นเรียกว่าไปเที่ยวขอรับภาระคนอื่นทั่วไปหมดเลยนะเรียกว่ารับภาระแห่งสัตว์อื่นเห็นความทุกขของคนอื่นแล้วเก็บมาไว้ในใจตนว่าเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นก็เอามาไว้ในใจตนว่าทำไงเราจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกได้นะเรียกว่าบางทีเนี่ยเห็นคนอื่นป่วยเขาบอกคนนี้ป่วยมากคนนั้นอีกเพราะอะไรเพราะคิดว่าจะทํำยังไงให้พ้นจากความป่วยเนี่ยนะ